เจ็ดสติปฐา น, นวิพังหนึ่งสุดตันตะภาชนีสติปฐานสี่เด็กแย่พิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง พิจารณาเห็นกายในกายภายในตนอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้หนึ่งกายานุ ป, ปัสสนานิเทศเห็นกายในกายภายในตน ภิกษุพิจารณาเหิงกายในกายภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเหิงกายภายในตนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้าปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเศเลฐ์หนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุนนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในกายภายนอกตน เห็นกายในกายภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายภายนอกตนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดต่างๆว่าในกายของเขามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต หัวใจตับพังผืดมา้าปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเศรษฐหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดพิกษุนนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในกายภายในตนและภายนอกตน เห็นกายเนื้อกายภายในตนและภายนอกตนพิกษุพิจารณาเห็นกายเนื้อกายภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายภายในตนและภายนอกตนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดต่างๆว่าในกน้อไนี้มีผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกใไตหัวใจตับพังผืดม้ามบอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสล็ดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 ประกอบแล้วด้วยการพิจารณาเห็นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพิจารณาเห็นคําว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดําเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ในคําว่ามีความเพียร น, นั้นความเพียรเป็นไนการปรารดความเพียรทางใจสัมมาวายามะ นี้เรียกว่าความเพียรพิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีความเพียรในคําว่ามีสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะเป็นไนปัญญาคิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาติทิฏฐิ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 ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยสตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติในคำว่าพึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไนไกายนั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกอุปาทานขันธ์ทั้งห้าก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลก อภิชาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาธโมนัตเป็นไนความไม่สําราญทางใจความทุกทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าธโมนัตอภิชาและธโมนัตนี้อย่างที่กล่าวมานี้ ถูกกำจัดถูกกำจัดราบคาบสงบระงับสงบเงียบดับไปดับไปอย่างราบคาบถูกทําให้พินาศไปถูกทําให้พินาศย่อยยับไปถูกทําให้เหือดแห้งไปถูกทําให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทําให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้กายานุปัสสนานิเทศจบ เวทนานุปัสสนานิเทศเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนพิสุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนอยู่เป็นอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้เมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาเมื่อสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาเมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนา เมื่อสวยสุขเวทนามีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนามีอามิ t h หรือเมื่อสวยสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาไม่มีอามิ t h เมื่อสวยทุกเวทนามีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนามีอามิ t h หรือเมื่อสวยทุกเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิ t เมื่อสวยอทุกขมสุ ข, ว เ, สว ข, ส ข, ขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิสก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุ ข, ขเวทนาไม่มีอามิตรภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิต น, น, นั้ น, น, นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในเวทนาภายนอกตน เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิในนี้รู้ชัดบุคคลผู้กำลังสวยสุขเวทนาว่าเขากำลังสวยสุขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กำลังสวยทุกขเวทนาว่าเขากำลังสวยทุกขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กำลังสวยอทุกขมสุขเวทนาว่า เขากำลังสวยอทุกขเมสุขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กําลังสวยสุขเวทนามีอามิ t h ว่าเขากําลังสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กําลังสวยสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ว่าเขากําลังสวยสุขเวทนาไม่มีอามิ t h รู้ชัดบุคคลผู้กําลังสวยทุกขเวทนามีอามิตรว่าเขากําลังสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กําลังสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรว่า เขากำลังสวยทุกคเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดบุคคลผู้กําลังสวยอทุกกมสุขเวทนามีอามิตรว่าเขากําลังสวยอทุกกมสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กําลังสวยอทุกกมสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากําลังสวยอทุกกมสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ภิกสุนั้นเจพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเจ็บเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้ว จึงส่งจิตไปในเวทนาภายในตนและภายนอกตนเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิไนนี้รู้ชัดสุขเวทนาว่าเป็นสุขเวทนารู้ชัดทุกขเวทนาว่าเป็นทุกขเวทนารู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนา รู้ชาสุขเวทนามีอามิ t h ว่าเป็นสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชาสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเป็นสุขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชาทุกเวทนามีอามิ t h ว่าเป็นทุกขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชาทุกเวทนาไม่มีอามิตรว่าเป็นทุกขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชาอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนามีอามิตร หรือรู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอา m i ตรว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอาม i t รด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ในคำว่าพิจารณาเห็นในคาว่าอยู่ในคาว่ามีความเพียร ในคำว่ามีสัมปชัญญะในคำว่ามีสติในคำว่าพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไนเวทนานั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม้อุปทานขันธ์ทั้งห้าก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชาเป็นไนความกําหนัดความกําหนัดนักความกาหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาโทมนัสเป็นไน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 อนุปัสสนานิเทศเห็นจิตในจิตภายในตนภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดจิตมีราคะว่าจิตของเรามีราคะหรือรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่าจิตของเราปราศจากราคะรู้ชัดจิตมีโทสะว่าจิตของเรามีโทสะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตของเราปราศจากโทสะ รู้ชาตจิตมีโมหะว่าจิตของเรามีโมหะหรือรู้ชาติจิตปราศจากโมหะว่าจิตของเราปราศจากโมหะรู้ชาติจิตหดหู่ว่าจิตของเราหดหู่รู้ชาติจิตฟุ้งซ่านว่าจิตของเราฟุ้งซ่านรู้ชาติจิตเป็นมหคัตว่าจิตของเราเป็นมหคัตหรือรู้ชาติจิตที่ไม่เป็นมหคัตว่าจิตของเราไม่เป็นมหคัตรู้ชาติจิตที่เป็นสอุตระว่า จิตของเราเป็นสัตุตระหรือรู้ชัดจิตเป็นอนุตตะว่าจิตของเราเป็นอนุตตะรู้ชัดจิตเป็นสมาธิว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือรู้ชัดจิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิรู้ชัดจิตหลุดพ้นว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นเสบเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดี ครันเซบเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในจิตภายนอกตนเห็นจิตในจิตภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชาจิตของผู้นั้นซึ่งมีราคะว่าจิตของเขามีราคะหรือรู้ชาจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากราคะว่าจิตของเขาปราศจากราคะ รู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีโทสะว่าจิตของเขามีโทสะหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากโทสะว่าจิตของเขาปราศจากโทสะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีโมหาว่าจิตของเขามีโมหะหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากโมหะว่าจิตของเขาปราศจากโมหะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งหดหู่ว่าจิตของเขาหดหู่ หรือรู้ชาติของผู้นั้นซึ่งฟุ้งซ่านว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นมหักตะว่าจิตของเขาเป็นมหักตะหรือรู้ชาติตของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นมหักตะว่าจิตของเขาไม่เป็นมหักตะรู้ชาติของผู้นั้นซึ่งเป็นสอุตระว่าจิตของเขาเป็นสอุตระหรือรู้ชาติของผู้นั้นซึ่งเป็นอนุตระว่าจิตของเขาเป็นอนุตระ รู้ชาติจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นสมาธิว่าจิตของเขาเป็นสมาธิหรือรู้ชาติจิตของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นสมาธิว่าจิตของเขาไม่เป็นสมาธิรู้ชาติจิตของผู้นั้นซึ่งหลุดพ้นแล้วว่าจิตของเขาหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชาติจิของผู้นั้นซึ่งยังไม่หลุดพ้นว่าจิตของเขายังไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นเสภเจริญทำให้มากกาหนดนิมิั้นด้วยดี ครั้นเสภเจริญทำไม่มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในจิตภายในตนและภายนอกตนเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชะจิตมีราคะว่าจิตมีราคะหรือรู้ชาจิตปราศจากราคะว่าจิตปราศจากราคะ รู้ชัดจิตมีโทสะว่าจิตมีโทสะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะรู้ชัดจิตมีโมหะว่าจิตมีโมหะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโมหะว่าจิตปราศจากโมหะรู้ชัดจิตหดหูว่าจิตหดหูหรือรู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตที่เป็นมหากตะว่าจิตเป็นมหากตะ หรือรู้ชัดจิตที่ไม่เป็นมหคัตว่าจิตไม่เป็นมหคัตรู้ชัด okay? จิตที่เป็นสอุตระว่าจิตเป็นสอุตระหรือรู้ชัดจิตท bon ี่เป็นอนุตระว่าจิตเป็นอนุตระรู้ชัดจ nah> ิตที่เป็นสมาธิว่าจิตเป็นสมาธิหรือรู้ชัดจิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตไม่เป็นสมาธิรู้ชัดจิตที่หลุดพ้นแล้วว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่าจิตยังไม่หลุดพ้น ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ในคําว่าพิจารณาเห็นในคําว่าอยู่ในคําว่ามีความเพียรในคําว่ามีสัมปชัญญะในคําว่ามีสติ ในคําว่าพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไนจิตนั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม้อุปทานขันห้าก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชาเป็นไนความกําหนัดความกําหนัดนักความกําหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาโทมนัสเป็นไนความไม่สําราญทางใจความทุกทางใจ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 ถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทำให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้จิตานุปัสสนานิเทศจบ 4. ธรรมานุปัสสนานิเทศ เห็นธรรมในธรรมภายในตนภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนอยู่เป็นอย่างไรนิวรณะปปะภะภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้การมชฉันทะภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าการมชฉันทะภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้การมชฉันทะภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าการมชฉันทะในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกรมฉันทะที่ยังไม่เกิด เหตุละกรรมฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กรรมฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทภายในตนซึ่งมีอยู่และถึงรู้ถีนมิธาภายในตนซึ่งมีอยู่รู้อุทจจจะุกุจจะภายในตนซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาภายในตนซึ่งมีอยู่วิจิกิจฉ า, า, า, า, า, าภายในตนของเรามีอยู่รู้วิจิกิจฉาภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉาภายในตนของเรามีอยู่ หรือรู้วิจิกิชาภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิชาภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งวิจิกิชาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิชาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิชาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปพชังคะปัะพระรู้สติสัมโพชงภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชงภายในตนของเรามีอยู่ รู้สติสัมโพชฌงภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึง่งรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงภายในตนที่มีอยู่รู้วิริยะสัมโพชฌงภายในตนที่มีอยู่รู้ปิติสัมโพชฌงภายในตนที่มีอยู่ รู้ปัสติสัมโพชงภายในตนที่มีอยู่รู้สมาธิสัมโพชงภายในตนที่มีอยู่รู้อุเบกขาสัมโพชฌงภายในตนที่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชงภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้อุเบกขาสัมโพชงภายในตนของเราซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชงภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิด และเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมพ่อชงที่เกิดแล้วภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกําหนดนิมิตรนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกําหนดนิมิตรนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในธรรมภายนอกตนเห็นธรรมในธรรมภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรนิวรณะปัปพะภิกษุในธรรมวิในนี้ รู้กรรมฉันทะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่ากรรมฉันทะของเขามีอยู่หรือรู้กรรมฉันทะของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่ากรรมฉันทะของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกรรมฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กามฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ รู้อุทธะกุกุจะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้วิจิขิชาของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าวิจิขิชาของเขามีอยู่หรือรู้วิจิกิชาของเขาซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิขิชาของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งวิจิขิชาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิขิชาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิชาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปผูชังฆาปภะ รู้สติสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชงของเขามีอยู่หรือรู้สติสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชงของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชงที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้วิริยะสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ รู้ปิติสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ปัสจิติสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้สมาธิสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้อุเบกขาสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชงของเขามีอยู่หรือรู้อุเบกขาสัมโพชงของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชงของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิด และเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดแล้วภิกษุนั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในธรรมภายในตนและภายนอกตนเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรนีวรณะปพะะ ทิสตุในธรรมวินัยนี้รู้กรรมะฉันทะซึ่งมีอยู่ว่ากรมะฉันทะมีอยู่หรือรู้กรรมะฉันทะซึ่งไม่มีอยู่ว่ากรรมะฉันทะไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแทนกรมฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกรมะฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กรรมะฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทะซึ่งมีอยู่รู้อุทจักปุกุจจะซึ่งมีอยู่ รู้วิจิกิจชาซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจชามีอยู่หรือรู้วิจิกิจชาซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจชาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิจชาที่เกิดแล้วและเหตุ anyway. 네ที่วิจิกิจชาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปพ่ชังคระประรู้สต MM well. ิสัมโพชงซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชงมีอยู่ หรือรู้สติสัมโพชงซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่อนหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชงที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะสัมโพชงที่มีอยู่รู้วิริยะสัมโพชงที่มีอยู่รู้ปิติสัมโพชงที่มีอยู่รู้ปสัสจิติสัมโพชงที่มีอยู่รู้สมาธิสัมโพชงที่มีอยู่ รู้อุเบกขาสัมโพชงที่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หรือรู้อุเบกขาสัมโพชงซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่อนหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ในคำว่าพิจารณาเห็นนั้นการพิจารณาเห็นเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาธิทินี้เรียกว่าพิจารณาเห็นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดี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 สัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรพิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีความเพียรในคำว่ามีสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะเป็นไนปัญญาจิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสัมปชัญญะในคําว่ามีสตินั้นสติเป็นฉนายสติความตามระลึกสัมมาสตินี้เรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยสตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติในคำว่าพึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไนาทาเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม่อุปาทานขันห้าก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชาเป็นไนความกาหนัดความกำหนัดนักความกาหนัดนักแห่งจิต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 พิธรรมภาชนีสติปทานอุเทศสติปฐานสี่ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่สพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่สพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่สติปทานนนิเทศกายานุปัสนา ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจากกรรมบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติ สติสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนในมรรคนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยสติปัฏฐานเวทนานุปั ส, สนาพิษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นอย่างไรพิสุในธรรมวิไนนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกาม บรรลุปธมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสติปฐานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปทานจิตตานุปัสสนาพิษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นอย่างไร พิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองมากนับเนื่องในมัก นี้เรียกว่าสติปฐานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพ ย, ยุด้วยสติปทานทำมานุปัสสนาพิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นอย่างไรพิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัททุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังฎจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่งในมรรคนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปัฏฐานสติปัฏฐา น, นธรรมในสภาวธรรมเหล่านั้นสติปัฏฐานเป็นชน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 นี้เรียกว่าสติปทานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุด้วยสติปทานสติปทานนาอุเทศสติปทานสี่ด้แก่พิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่สพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ สติปัฏฐานานิเทศกายานุปัสนาภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรลรุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น อัะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพิษุสงัดจากกามบรรลุปถมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละพิจารณาเห็นกายเนี่ยกายอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มาก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 สงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพิกษุสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าสติปทานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปทานจิตตานุปัสนาพิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นอย่างไรพิกษุในธรรมวินัยนี้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 เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้กระทาได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตรุูสนั้นนั่นแหละพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าสติปฐานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปทานทมานุปัสสนา พิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากเวททุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล ภิสุสงัดจากการบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญาตาเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญชาญที่เป็นโล ก, กุตระกุสนั้นนั่นแหละพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงอันเป็นองค์มากนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าสติปฐานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่า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 นี้เรียกว่าสติปทานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปทานอาภิธรรมพภาชนีจบ